มีผู้ชายคนหนึ่งเขากาลังจะขึ้นรถไฟฟ้านะที่สถานีสุขุมวิทเนะช้าวันนั้นมันผู้คนเยอะแยะนะระหว่างที่เขาก็กลังดูแผนทีนะ่สถานีก็สังเกตนะผู้ชายคนหนึ่งนะดูท่าทางมีพิรุษอยู่ใกล้ๆนะเขาก็สังหอนใจขึ้นมาก็เลยตบกระเป๋าของตัวเองเพราะว่า ไม่เจอโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือมันหายไปเขาก็เลยแน่ใจว่าผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือของเขาไปเขาก็เลยไปล็อกคอเลยนะเราก็บอกเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าโทรศัพท์ใครอะไรผมไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็เลยค้นตัว ก็ไม่เจอโทรศัพท์ของเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคงมีอีกคนหนึ่งเนี่ยร่วมด้วยนะคงจะเอาโทรศัพท์เข้าไปให้อีกคนหนึ่งเขาก็เลยคว้าโทรศัพท์ของผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์ของตัวเลยนะเพราะคิดว่าคงจะอยู่แถวๆนั้นแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์เพิ่งเกิดไม่นานปรากฏว่าโทรศัพท์ของเขานี่มันก็เปิดอยู่นะ ดีย๋ยวไม่ปิดสภาก็มีคนรับสายเขาก็เลยพูดตะโกนใส่ไปในเครื่องเลยเอาโทรศัพทกู้มาเอาโทรศัพท์กูมานะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเพื่อนมึงเจ็บแน่บอกว่าคนที่รับสายนี้เป็นผู้หญิงนะก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมาเลยมาเลยกลับมาที่บ้านเลยนะโทรศัพท์เธอลือมไว้ที่บ้านนะเขาเลยหน้าเสียเลยนะเพราะว่าอุตส่าห์ล็อกคอคนเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็กล่าหาว่าเขาเป็นขโมยนะ ทั้งล็อกคอทั้งค้นตัวนะแล้วก็เอาโทรศัพท์เข้ามาใช้นะบอกกัดว่าที่ไหนได้นะคนนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ของตัวเลยนะตัวเองลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วพวกเราเคยหน้าแตกใกล้ๆแบบนี้หรือเปล่านะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่านะลืมโทรศัพท์ไม่พอนะแล้วก็ยังไปคิดว่าคนอื่นนี่ขโมยของเราไปอีกนะดนนีนะที่ไม่ลงไม้ลงมือนะ จระทั่งเจ็บตัวไม่งั้นก็เกิดเรื่องแน่บางทีคนเราเนี่ยนะก่อนที่จะทําอะไรไปนี่มันก็ต้องต้องคิดหน้าคิดหลังซะ ก, ก่อนนะอย่เพิ่งด่วนสรุปนะหาโทรศัพท์ไม่เจอในกระเป๋าเนี่ยนะอย่เพิ่งไปคิดว่ามีคนลักเอาไปนะบางทีมันอาจจะอาจจะลืมไว้ที่บ้านหรือว่าอาจจะลืมไว้ที่ไหนก็ได้หรือว่าทําตกหลน่น หลายคนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็รีบสรุปทันทีแล้วนะว่ามีคนเอาไปหรือเหมือนกับเราของหายนะของหายในบ้านหรือว่าในออฟฟิศนะพอหายไม่เจอปุ๊บเราก็คิดขึ้นมาเลยนะว่าต้องมีคนเอาไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในห้องของเราหรือว่าเดินโฉบมาที่ โต๊ะของเราก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็จะปักใจเชื่อแล้ววันนียหมอนี่เนี่ยคงเอาไปและยิ่งเพ่งพิจารณาคนค น, นั้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีพิรุษนะท่าทางเขามีพิรุษเขาไม่สบตาเรานะก็ยิ่งปักใจเชื่อเลยนะว่านี่เขาเอาของเราไปแน่นอนคราวนี้แหละเป็นเรื่องเลยนะก็ะต้องหาทางนะจัดการคาดคั้น หรือมิฉะนั้นก็คอยเฝ้ามองดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปก็ยิ่งเห็นว่าเขามีพิรุธมากขึ้นเดินก็มีพิรุธนะคุยก็มีพิรุธนะก็ยิ่งย้ำความเชื่องเราให้หนักแน่นนะว่าเอาไปแน่แต่ถ้าหากว่าดูดีๆนะอาจจะพบว่าที่จริงของไม่ได้หายไปไหนหรอกนะแต่เราเก็บไว้อีกลิ้นชักหนึ่งหรือว่าของมันตกอยู่นะหลังเตียง หรือบางทีจะมีคนนะหยิบยืมคว้าไปด้วยวิสาสะก็ได้บางคนกว่าจะรู้ความจริงเขาก็เกิดเรื่องเสียหายไปแล้วนะแล้วพอรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คนคนนั้นไม่ได้เอาไปแต่มันเป็นความเผลอเลิเป็นความหลงลืมของเราเองก็จะพบว่าคนนั้นนี่ที่จริงเขาก็ไม่มีพิรุษนะเขาเดินก็ไม่มีพิรุษเขาพูดก็ไม่ได้มีพิรุษเป็นปกติ ที่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเขาก็ทําเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าสายตาเรานะีมันไปจ้องจับผิดเขาเองนะคนเราเวลาไปจ้องจับผิดใครนิมนก็จะเห็นเขาทํา <c oughs> เขาพูดเขาสนักกบกิริยามีพิรุษนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจเราเนี่ยมันไปตีความหรือว่าไปสรุปนะว่าเขามีพิรุษนะเหมือนกับที่เราเมื่อวานเนี่ยไปเห็นภาพลดความนะ ล้อมันชี้ฟ้าก็เป็นนึกว่าล้อนั้นเน่ยนะมันเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวบังเอิญเป็นกลางคืนซะด้วยนะไอความกลัวความเชื่อเรื่องผีเนี่ยพอเห็นล้อนี่ก็มองว่าเป็นภาพเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวกำลังมองมาที่อาสาสมัครกู้ภัยนะ ให้ความคิดความเชื่อเนี่ยในใจเราเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้หรือว่าตีความผิดไปนะภาษาภาคเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสนะวิปลาสนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนบ้านนะการเห็นล้อว่าเป็นหน้าผู้หญิงนะหรือหน้าวิญญาณเป็นวิญญาณคนตายนี่ก็อันนี้ก็เป็นสัญญาวิปลาสหรือกลัวมากจนกระทั่งเห็น ลากไม้เนะี่ยเป็นงูเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะคือสัญญามันผิดเพีย้ยนสัญญาในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าความจำจาได้หมายรู้แล้วคนเราไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ความคิดในใจเราหรืออารมณ์ในใจเราเนี่ยมันสามารถทําให้สิ่งทลาย เ, เห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้เห็นพอไปปักใจเชื่อว่าคนคนนี้นี่เขาขโมย ของของเราไปขโมยเงินไปขโมยโทรศัพท์ไปเราก็จะเห็นว่าเขามีพิรุษหน้าตาเขามีพิรุษเขาคุยไม่สบตาอะไรงนี้เป็นต้นที่จริงเขาก็ทำกับเราปกตินะแต่ว่าใจเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งแล้วเมื่อมีการปรุงแต่งสิ่งที่เห็นมันก็เลยผิดเพี้ยนไปหรือว่าถูกตีความผิดเพี้ยนไปแล้วเราก็ไม่ตระหนักนะเราก็ยังไม่คิดว่าเนี่ยใช่แน่เลยนะเพราะเขามีพิรุษนะ อันนี้เราส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจนะถ้ามาดูใจก็เพราะว่าโอเรามันมีความคิดปักใจอยู่แล้วว่าเขาขโมยเราก็เลยเห็นว่าเขามีท่าทางเป็นขโมยจริงๆนะแล้วที่ปักใจเชื่อนะก็เพราะว่ามันด่วนสรุปนะตบกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ไม่เจอกระเป๋านะก็คิดแล้วว่าไอ้คนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินเชียร์เราไปนี่เอาไปแน่นะเป็นนักย่องเบาเป็นนักล้วงนิ่มมากนะอันนี้ก็เรียกว่าด่วนสรุปนะ ต้องระวังเนี่ยเพิ่งไปดวนสรุปมากต้องมีสติรู้ทันในความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจด้วยนะอย่าให้ความคิดมันหลอกเราไม่งั้นเนี่ยอะไรแรงก็จะหลอกเราได้อีกนะตาหูจมูกก็จะหลอกเราได้ง่ายอ่ะแล้วก็เตรียมรับพร